เรนั่งสมาธินั่งสบายๆไม่ต้องคิดว่าเรากําลังจะนั่งสมาธิเรากําลังจะปฏิบัติธรรมนั่งเป็นธรรมชาติเนี่ยผ่อนคลายการปฏิบัติธรรมคือการที่เราเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริง ธรรมชาติแห่งความตื่นรู้ธรรมชาติแห่งความเป็นพุท ธ, ธะที่ทุกคนมีอยู่แล้วเราจะเข้าถึงสภาพแบบนั้นได้เราต้องรู้จักที่จะพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงให้ได้ ความปรุงแต่งทั้งปวงจะคอยปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเอาไว้เหตุผลต่างๆในโลกความเชื่อต่างๆในโลกการหาถูกหาผิด ตลอดชีวิตที่พวกเราผ่านมาเหล่านี้ปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเอาไว้ปิดบังตั้งแต่เราเกิดจนแม้กระทั่งเรามาพบเส้นทาง แห่งความหลุดพ้นอันนี้เราก็ยังคงถูกปิดบังอยู่เราถูกปิดบังจากความเชื่อมากมายระบบความเชื่อที่เรามีตั้งแต่เด็กจนโต ที่เราถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวคุณครูอาจารย์เพื่อนสังคมจารีตประเพณีวัฒนธรรมทุกคนถูกหล่อหลอมขึ้นมาจาก ระบบความเชื่อเหล่านั้นความเชื่อเหล่านั้นพาเราไปสู่การคิดปรุงแต่งหาถูกหาผิดเต็นไปด้วยเหตุผลเต็นไปด้วยหลักการ เต็มไปด้วยดีเต็มไป ด, ด้วยชั่วสิ่งเหล่านั้นพายเราติดอยู่ท้ายเราทุกข์เราทุกข์ไม่พอสิ่งเหล่านั้นบังคับเราให้เราไปทําให้คนอื่นทุกข์ด้วย ิ่งเรานั้นก็หลอกเราให้เราไปหาเรื่องคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวังวนแบบนี้เราค้นไปไหนไม่ได้เรายังต้องวนอยู่ในวัดต่างสงสารนี้เรายังต้องทุกข์ต่อไปเรื่อย ทุกคนมาถึงวันนี้มาที่นี่มาเพื่อที่จะเป็นอิสระอิสระจากความเชื่อทั้งปวงเหลือแต่ความตื่นรู้ เหลือแต่สภาพธรรมชาติเดิมแท้คือสภาวะแห่งความรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานคำว่าเบิกบานไม่ใช่เรายิ้มทั้งวันเบิกบานคือทุกขณะของจิตเราเป็นความสดใหม่ เต็มไปด้วยความสดใหม่ถ้ามันไม่สดใหม่แปลว่าในขณนะนั้นเรากำลังเปรียบเทียบ ก, กับอดีตพวงไปอนาคตเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันทำว่าอยู่ในปัจจุบันเป็นภาษาพูด จริงๆเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเป็นเพียงกิริยาตื่นรู้เฉยๆเราจะเข้าถึงสภาพแห่งความตื่นรู้แบบนี้เรามีเครื่องมือที่จะใช้ ที่จะเข้าถึงสภาพเตื่นรู้ได้นั่นคือความรู้สึกตัวในขณะที่เรารู้สึกตัวในขณะเล็กๆนั้นความคิดหายไป เรารู้สึกตัวขณะนั้นความคิดหายไปจิตใจที่เป็นปกติอันนี้เปิดเผยตัวออกมาความปกตินี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่เรารู้สึกตัวพ้นออกจากโลกของความคิดปลงแต่งเมฆหมอกทั้งหลายที่ปิดบังดวงจันทร์นี้ มันกระจางคลายออกไปแสงสว่างจากดวงจันทร์เปิดเผยตัวออกมาได้เมื่อจิตใจนี้เป็นปกติเราได้รู้จักสภาพเป็นปกตินี้แล้วในขณะนั้นปราศจากอคติปราศจากพิธีมานะปราศจากการเปรียบเทียบ ปราศจากความกระวนกระวายใจปราศจากความดิ้นรนอะไรทั้งสิ้นปราศจากตัณหาความอยากและไม่อยากในภาวะแบบนั้นเราจึงสามารถจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างแท้จริง และเราเข้าถึงสภาพตื่นรู้แบบนั้นเพื่อที่จะสามารถเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงได้เพราะมเป็นสภาพที่บริสุทธิ์เป็นการตื่นรู้โดปราศจากตัวตน จะเห็นว่าเส้นทางของความรู้สึกตัวการพ้นออจากโลกของความคิดปรุงแต่งปล่อยให้ความเป็นปกตินี้เปิดเผยตัวออกมาเองรู้จักมันเครื่องมือเหล่านี้นำพาเราไปสู่ความตื่นรู้ได้ถ้าจิตใจเราไม่ปกติ เราตื่นรู้ไม่ได้หรือเป็นภาษาที่ผมพูดมาตลอดว่าเรารู้แต่มันรู้อยู่บนความมืดรู้โดยมีเราเนี่แหละไปรู้แล้วเราจะต่างอะไรกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ เรานั่งกันอยู่นี่เราไม่ได้เอาความสงบไม่ได้เอาความไม่สงบเราไม่ได้เอาความปกติเราเพียงแต่ตื่นรู้ในทุกขณะเฉยๆ ในขณะที่เราตื่นรู้ปกติไหมปกติในขณะที่เราตื่นรู้ว่างไหมว่างกิริยาตื่นรู้เป็นสิ่งที่อธิบายมากกว่านั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าเลยพูดว่าเราเป็นผู้ตื่นแล้วความเป็นพระอรหันต์ความพ้นทุกข์ไม่ไดมีอะไรพิเศษมากกว่าการที่เราได้เป็นผู้ที่ตื่นแล้วถ้าเรายังหลับไหล ต่อให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เก่งที่สุดในโลกนี้ประสบความสำเร็จทุกอย่างในโลกนี้เราก็ยังเป็นคนมืดบอดเหมือนเดิมเรายังไม่ตื่น ตราบใดที่เรายังคิดชีวิตเป็นเรื่องจริงจังความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตเป็นเรื่องจริงจังนันเรายังไม่ตื่นเราคิดว่ามีเราจริงๆ เราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปให้พ้นความเชื่อเก่าๆมิจฉาทิฏฐิของตัวเองมิจฉาทิฏฐิแบบนี้พาเราไปสู่ความปริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้ มันมีแต่จะกักขังเราไว้วถ้าเมื่อเราโดนกักขังเราต้องทุกเราทุกคนมีหน้าที่ตื่น ไม่ใช่ตื่นเฉพาะตอนเราเข้าคอร์สไม่ใช่ตื่นเฉพาะตอนเราฟังธรรมไม่ใช่ตื่นเฉพาะตอนเราเดือนจงกรมตื่นทุกขณะอย่าให้ความคิดหลอกเราอย่าให้ความเป็นจริงเป็นจังในโลก ที่เราเชื่อในอดีตหลอกเรามิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตั้งแต่มืดที่สุดดำที่สุดไปจนขาวที่สุดขาวแค่ไหนก็ยังหลอกเราได้ เพราะมันคือความมืดสีขาวแต่ความตื่นความเป็นพุท ธ, ธะอธิบายอะไรไม่ได้ในความตื่นนั้นเพียงแค่ตื่นขึ้นมา ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้กันทุกคนสังเกตตัวเองเข้าถึงสภาพเตือนรู้ที่มีอยู่ในตัวเองทุกคนสภาพแห่งความเงียบเชียบในขณะนี้ไม่มีใครทุกข์ในขณะนี้มีแต่ความรู้สึก ความรู้สึกมีคนไม่ได้ถ้าไม่มีคนไม่ต้องทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกล้วนเราต้องฝึกตัวเองให้ตื่นไม่ให้หลับ เมื่อไหร่ที่อาการเคลิ้มหลับเข้ามาในจิตใจอยู่ในอารมณ์แบบนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆอย่าสะสมอนุสัยสันดานของความหลง ของมูลหาเราสะสมแบบนั้นเราต้องเสียเวลาเอาออกอีกอย่าให้ วิสัยแห่งโมหะอยู่ในใจของเราถ้าทุกคนสามารถตื่นได้เป็นส่วนใหญ่จนกลายเป็นทุกขณะของชีวิต ไม่มีใครจะไม่บรรลุธรรมธรรมชาติแห่งความตื่นนี้ไม่มีใครหยุดยั้งเราได้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องการที่เราจะต้องไปทำอะไรยับยา้งสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราตื่นได้ไหมเมื่อเราตื่นได้มันก็เป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรม ในขณะที่เราเป็นกิริยาตื่นรู้ขณะนั้นจิตใจเป็นปกติสีนี้เกิดแล้วในขณะที่เราตื่นรู้อยู่ทุกขณะอย่างต่อเนื่อง สมาธิเกิดแล้วในขณะที่เราตื่นรู้ขึ้นมาสติเกิดแล้วเราเพียงแต่ทำเหตุให้มันถูกเฉยๆสร้างเหตุที่ถูกต้องให้กับชีวิตเฉยๆ การต่างๆของสิ่งที่พวกเราทุกคนเคยเรียนมาสติสมาธิญาณฌา น, านปฏิจจสมุ ป, ประบาทอริยมรรคโพชชงอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ายาก เกิดขึ้นได้เมื่อเราตื่นขึ้นมาเข้าใจมันได้เมื่อเราตื่นขึ้นมาเพียงแค่ตื่นขึ้นมาเฉยๆถ้ า, าไม่ตื่น เราเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ได้เราจะเห็นตามความคิดของเราการนั่งก็ไม่ ห, หลับถ้าหลับไม่ได้อะไร การปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ต้องการที่จะรู้อะไรเราไม่ได้ต้องการที่จะได้ความรู้อะไรเราเพียงแค่ต้องการเข้าถึงสภาพที่แท้จริงของเราให้ได้ เมื่อเราเข้าถึงสภาพที่แท้จริงตัวจริงของเราคือกิเยาตื่นรู้นี้ได้ความรู้ต่างๆมันมาเองมันเข้าใจเองอย่ารีบไปมีความรู้ อย่ารีไปสอนใครปรับใดที่เรายัางสอนตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งไปสอนคนอน ให้ความรู้นี่มันออกมาจากใจเห็นได้ด้วยใจตัวเองในขณะที่เราตื่นรู้อยู่เนี่ยเราจะผ่านประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ดังจิตใจมากมาย ประสบการณ์ทางจิตใจที่เรากำลังผ่านบนพื้นฐานของความตื่นรู้นี่แหละมันจะขัดเกลามันจะสรุปความมันจะก่อตัวเป็นองค์ความรู้ ในใจเราเองความรู้ในหนังสือเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของเราเมื่อกี้ก็มีเสียงโทรศัพท์นิดหน่อยพวกเราต้องเห็นใจตัวเองเป็น ผิดปกติัหมปัญหาไม่อยู่ที่เสียงปัญหาอยู่ที่เราโลกนี้จะเอาอะไรเพอร์เฟไม่ได้โลกนี้ถูกรันไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ควบคุมบังคับอะไรไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะนั้นเราจะเอาเพอร์เฟแบบที่เราต้องการในโลกนี้ไม่ได้แต่เราทุกคนฝึกจิตใจให้สามารถอยู่กับความไม่เพอร์เฟแบบนี้ โดยไม่ทุกข์ได้ความกระเพื่อมบันไห้ในจิตใจไม่ใช่ปัญหาแต่กลับเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังต้องพากเขียนต่อไปความตื่นรู้ยังไม่สมบูรณ์ ความทุกข์ทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญที่จะให้เราทุกคนไม่เลิกที่จะอยู่บนเส้นทาง เ, เล็กๆเส้ น, นที่มีคนจำนวนน้อยนะักที่พร้อมจะเดินทางเส้นนี้อย่ากลัวความทุกข์ ถ้าเราไม่มีความทุกข์เราจะประมาทถ้าเรามีแต่ความสุขเราจะประมาทเราจะเพลินอยู่ในความสุขเราจะเพลินอยู่ในความสบายชีวิตที่สุดตโตงสองด้านไปไหนไม่ได้ พระพุทธเจ้าพูดการมาสุ ข, ขาอคารุโยกปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสตามใจโดยอัตตากิรมัฏฐานุโยกบังคับกายบังคับใจเข้าขั้นทรมานโดยทั้งสองทางสุดโตงนี้ไปไหนไม่ได้ พระเจ้าสอนทางสายกลางสายกลางคือรู้อย่างที่มันเป็นหลวงพ่อเตียนรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนะรู้โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับ วันนี้ให้เราเข้าใจว่าตัวจริงของเราเราต้องรู้จักตัวจริงของเราให้ได้ตัวจริงของเราคือกิริยาตื่นรู้นอกนั้นไม่ใช่นอกนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเกิน ถ้าเรารู้จักตัวจริงของเราว่ามันคือกิริยาตื่นรู้เท่านั้นเราจะไม่ทำอะไรเลอะเทอะในชีวิตมากไปกว่นเราจะไม่เลอะเทอะในทางโลกแล้วเราก็จะไม่เลอะเทอะในทางธรรมด้วย สิ่งทุกอย่างเพื่อจะเข้าถึงความตื่นรูนเป็นเครื่องมือเฉยๆรู้จักใช้เครื่องมือแล้วก็วางมันทิ้งลงไปที่ผมพูดตลอดว่าผมให้ราวบันไดแต่ทุกคนจับแล้วต้องปลอ่อยจับเอาไว้ตลอด ไปไหนไม่ได้จับแล้วก็ปล่อยเข้าถึงสภาพที่แท้จริงคือความตื่นรู้เข้าถึงความตื่นรู้ให้ได้ความตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนตอนนี้เข้าถึงความตื่นรู้ได้ ในขณะที่ทุกคนนั่งรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยภาษาสร้างปัญหามากมายกับนักปฏิบัติธรรมบางคนมีปัญหาตรงไหนคือตัวบางคนมีปัญหาตัวคือต้องเป็นที่ไหนไหม ธรรมชาติของจิตใจเราชอบทำบอกให้รู้สึกตัวมันก็จะทำความรู้สึกตัวจงบอกให้ทนออกจากโลกของความคิดมันก็จะหยุดคิดอีกพระพุทธเจ้ามีวิธีการง่าย พูดในสิ่งที่ต้องกันข้ามสมมติตอนนี้ผมบอกทุกคนว่าอย่าลืมตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ท, ทันทีทุกคนสัมผัสได้อย่าลืมตัวความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้น ท, ทันทีเราไม่ได้ทำมันเอ นั้นแค่เราอย่าลืมตัวใครที่ยังวันๆหลงไปฟุ้งซ่านมากๆบ่อยๆเตือนตัวเองอย่าลืมตัวความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ใช่รู้สึกอยู่ที่ตรงไหนไม่ใช่เพ่งจ้องที่อะไร สัประคำหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเตือนตัวเองเอาไว้คือความอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่หลงในโลกของความคิดปรุงแต่งแล้เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะนั้นเรากําลังมีสติแล้ว เมื่อเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้พนอนู่ับโลกของของความคิดปรุงแต่งได้จิตใจเนี่ยมันก็เป็นปกติเราก็รู้จักสภาพที่แท้จริงได้แล้วเราก็เข้าถึงสภาพแห่งความตื่นรู้ได้ จะเห็นว่าทั้งหมดที่พูดมาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเพื่อจะนำเราไปสู่สภาพแห่งความตื่นรู้แค่นั้นเมื่อเราเข้าถึงความตื่นรู้แล้วเราจะเห็นทุกสิ่งตามเป็นจริงได้ การปฏิบัติธรรมเราเริ่มจากความค่อนคลายความสบายเป็นธรรมชาติแต่ไม่ให้เราหลงเพลินไปในความสบายนะอย่าลืมตัวจริงของเราตัวจริงของเราเป็นแค่กิริยาตื่นรู้ รู้จักตัวจริงของเราเราจะไม่ต้องฟุ้งเฟ้อไปในธรรมะมากมายพอรู้จักตัวจริงของเราเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อไปในโลกเราจะรู้จักความพอดีเราจะรู้จักหน้าที่ที่พอดีทั้งในทางโลก เป็นในทางธรรมเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรเราต้องทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรสภาพแห่งความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องพ้นจากโลกของความคิดลงแต่งจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาญา เราจะมีปัญญายาณที่จะนำพาชีวิตเราไม่ใช่ความคิดนำพาชีวิตเราจิตใจที่เต็มไปด้วยสภาพตื่นรู้จะเป็นตัวนำทางเราในอดีตที่เราเคย เริ่มปฏิบัติธรรมอาจะเคยคาดหวังว่าเราจะดีอย่างนั้นเราจะวิเศษแบบนั้นเราจะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกับการที่เราได้ปฏิบัติธรรมที่จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งพิเศษมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องมาพร้อมกับความตื่นรู้มันคือความธรรมดาไม่ใช่ความพิเศษแต่เพราะพวกเรามันคิดปกติ สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้คือความพิเศษพิเศษไปในทางผิดปกติพระพุทธเจ้าแค่นำเรากลับไปสู่ความเป็นธรรมดาพาเรากลับไปสู่ชีวิตที่แท้จริง ของวิเศษที่เราเคยคิดว่าป็นวิเศษมันเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าถึงกิิยาตื่นรู้เข้าถึงชีวิตที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งธรรมดาธรรมดาทั้งหลายจะเกิดขึ้นเป็นผล สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นสิ่งพิเศษมันจะเกิดขึ้นขอเพียงแต่เราเข้าถึงสภาพตื่นรู้นี้ให้ได้ในทุกขนาดของชีวิต ใช่แล้ว